อีกแบบหนึ่งเวทนามันเกิดขึ้นเต็มที่ของมันพิจารณากันจริงจังเมื่อรู้ทั่วเข้าใจถึงจริงจังมันจะรวมลงไปเมืเ่อใจรวมลงไปมันปล่อยไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ยึดถือเกาะเกี่ยวกับเรื่องของจายของเวทนาของขันอะไรเพียงมีความรู้สึก เป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นมัได้ยึดได้คืออะไรกันเวทนามากก็ดับไปหมดความเจ็บความปวดเพราะเหตุใดเพราะใจมันม า, กกาเกาะเกี่ยวกับเรื่องของขันของเวทนาถ้ามันเต็นอย่างนั้นคนที่ไม่เคยเป็นใคยเห็นเคยรู้ปฏิบัติมันก็อัศจร จ, จันโทเรื่องของอัดของทำมันดีวิเศษขนาดนี้ถ้ามันลงได้ร่วมได้อย่างนี้ มันก็ไม่ตัวเวทนาเกิดขึ้นมาทีหลังมันก็จะไปถึงแค่ไหนถึงจิดเก่าของมันเท่านั้นมันจะลงจะรวมอีกหรือมันจะเป็นไปถึงที่ไหนก็ทราบว่าเป็นเรื่องของเวทนาที่เราไม่เด็พิจนารณาอย่างนั้นพอเจ็บมาปวดมาก็เลยยึดว่าเราเจ็บเราปวดเราเป็นเวทนาเวทนาเป็นเรา ไม่เข้าใจถึงจะเรียนจบด็อกเตอร์ด็อกเตอร์มาจากที่ไหนก็เอาเถอะเรียนจบพระไตจพิ่โกทางศาสนามากสดามถ้าไม่ได้ดประพฤติปฏิบัติเดือดตัวเองแล้วจะไม่ทราบจะไม่เข้าใจจะแก้ไขตัวเองไม่ได้เพราะตำรามันเป็นตำราจำได้มันเป็นสัญญาแต่ประพฤติปฏิบัติรูเห็นเป็นจริงขึ้น มันเป็นท้องตัวเองสามารถที่จะแก้ไขคับไล่ความสงสัยจิตข้องต่างๆให้ตกหล่นออกไปจากใจข้องตัวนี่คือผู้ประพฤตปฏิบัติดูทั่วเข้าใจถึงเรื่องของอัดท้องทำไม่ต้องรู้มากอะไรเข้าใจตัวท้องตัวทั่วถึงละถอนจริงๆเป็นปัญหาหรือสิ่งที่ขัดข้องรบกวนจิตใจได้มันสุกมันสบาย มันเปรเศดวิเศษยิงป่าสิ่งทั่วไปในโลกพระพุทธเจ้าท่า น, นยิงสรรเสริญชมเชยเรื่องการประพฤติปฏิบัติเรื่องวิเวกของจิตของใจนี่ทั่วเราทั่วไปไม่ไมเคยเห็นไม่เคยเป็นอย่างนั้นยิ่งจิตโจมกันอยู่ตลอดเวลาถอดถอนไม่ขึ้นว่าอะไรเป็นอะไรปวดมากกว่าเราปวดก็ลอานั่ง เบื่องต้นท่าไหนมันสุกมันสบายเทก็เถอเท้ามันสบายเวลามันปวดมาใครหามาให้อะไรมันปวดถามดูสิกระดูกหรือมันปวดหนังหรือมันปวดเนื้อหรือมันปวดเอ็นหรือมันปวดสอบมันไปถามมันไปมันบาอย่างไรเมื่อตายไปพิ่งเหล่านี้มีอยู่กไปเผาไฟสังดินมันบ่นไหม นี่คือการพิจรารณาเพื่อขับไล่ความยึดถือของใจเพื่อให้ใจรู้จักสิ่งต่างๆในถาดขันตามเป็นจริงของมันตอนพิจารณาเราไปอย่างนั้นถ้าไในพิจารณาอย่างนั้นก็ไม่รู้ไม่เข้าใจพอเจ็บปวดมานิดๆหน่อยๆก็อเอาะวันใหม่ถึงขวาจะบภาว น, นาอีกก็ มันเคยเอาชนะเราอยู่แบบไหนมันก็เอาอันนั้นแหละมาประหัดประหารเราพอทำไปนิดนีดหน่อยอา้อาววันนี้ทำพอตองควรแล้วในสาว่าเอาอะไรเอาละได้อะไรมาจากการทำข้องตัวมันอยู่ขั้นนี้มันจึงไม่มีพลั ง, งาความดีอะไรไประเสริฐวิเศษในจิตในใจผู้ที่ท่านได้ท่านเห็นท่านเป็นยิงของท่านไม่อย่างนั้นอะไรเกิดขึ้นมาก็เกิดขึ้นมาเถอะ โลกอันนี้มันจะแตกจะสลายจะระเบิดออกไปเหมือนประทัดเหมือนระเบิดก็ให้มันระเบิดออกไปถ้าจิตใจไม่รู้เห็นตามเป็นจริงแล้วจะไม่ยอมหนีจากที่จะไม่ลุกจากที่นี่พระพุทธเจ้าผ่านเคยทํามาเหยืออเนื้อมันจะเหือดแหงไปเหลือะจะเอ็นกระดูกก็ช่างมันถ้าหากความตัดสู้ไม่เกิดขึ้นเมื่ อ, อไร เราจะไม่ยอมลุกจากที่มีพระพุธทธเจ้าสันทรงอธิษฐานเอาไว้ในวันตรัสรู้คืออาจารย์ที่ประพฤติปฏิบัติโดยส่วนใหญ่ที่มีอัตมีธรรมก็ท่านองเดียวกันท่านต่อสูร้รู้ทั่วเหมือนกันยิงจะสามารถมาแนะนคนอื่นได้ทางด้านจิตใจไม่ได้จดจำ ศึกษามาจากสําหรับตําราที่ไหนครู อ, อาจารย์ปฏิบัติส่วนใหญ่ธรรมะที่ท่านนามาสอนพวกเราท่านไม่ได้ไปศึกษามาจากสาหรับตาราศึกษาจากกายวาจาจิตของท่านสิ่งที่มีอยู่เพราะท่านรู้ของท่านคนอื่นที่ยังไม่รู้ไม่เห็นที่ยังจิตคล้องก็ทํา น, นองเดียวกันกับท่านท่านเคยจิตคล่องอย่างไรเคยปรุงเคยคิดเคยจิตเคยยุ่กับอะไร ในสมัยที่ท่านยังไม่ประพฤติปฏิบัติเมื่อท่านประพฤติปฏิบัติทันละท่านถอนได้โดยอุบายวิธีอย่างไรท่านเอาสิ่งนั้นแหละมาสอนพวกเรามันเหมือนกันหมดมันในผิดแปลกแตกต่างกันอย่างการที่เจ้านาอาสุภาอาสุพังเพื่อบันเทาหรือขับไล่ราคาตันหาภายในใจ เชียงเราที่ารณาเรื่องของเราเถ่านั้นมันก็ทั่วถึงไปหมดในอดีตอนาคตรหรือปัจจุบันทั่วโลกเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้นเพราะคนเราหรือสัตว์ในอดีตในอนาคตยังไม่มาถึงหรือปัจจุบันมันเหมือนกันมันก็มีเกิดมีแรปรปรวนและมีแตกสลายเหมือนกันในร่างกายอันนี้ที่เราถือว่าดีว่าดีว่าสวยว่างาม น, นั้นพระสมมุติสิ่ง คนนั้นพูดคนนี้พูดฝังจิตสังใจเมื่อพิจายณาเข้าไปอย่างชาัดเจนแล้วเรื่องของกายนี้ไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรหอมหวนไม่มีอะไรน่าจูบน่าชมเต็มไปด้วยของปฏิกูลทางนั้นยิ่งหน้าที่เขาว่าสวยวางงาก็มีมแต่หลุมขี่ตามันก็มีขี้ ตาขี่หูขี่จมูกขี่ฟันมันจีหลุมอยู่นั้นหกเจ็ดหลุมแต่เราก็ไปหลงเห็นได้จึงหลงเพราะอะไรที่จะได้นะถือว่ามันสวยมันงามตามสมมติท้องโลกถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้ไม่สละสาสาง ม, มันจะเป็นอย่างไรมันไหลออกมาจากทาวารไหนมันมีข้องดีข้อง ด, อดีในตัวมนุษย์เรา นี่ผู้ประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกัจัดจัลราคาท่านจะต้องพิจารณากายให้แยกคายให้เข้าใจไม่มีอะไรที่น่ากหนักน่ายินดีถ้ามันเห็นเป็นกองขี้จริงๆมันจะทอดทิ้งแต่นี่ที่มันหลงไหลเพราะพิจารณายังไม่ถึงหลักฐานความจริงของมันร่างกายของเรานั้นไม่ว่าหญิงล่าชายธาตุเหมือนกัน ธาตุสีด่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันธาเหล่านี้มันใจกำลัดยินดีกับใครไหมถ้าหากมันแปลสะภาพลงไปเป็นดินจริงๆธาตุหญิงอยู่ที่ไหนธาตุชายอยู่ที่ไห น, นมันไม่มีอะไรเป็นหญิงเป็นชายก็เพียงแต่ว่าดินเท่านั้นนี่จิตใจของพวกเราท่านมันมาหลงดินกันความจริงร่างกายมันไม่หลงอะไรนาทีพวกมันเป็นอย่างไรมันก็เป็นไปตามนาทีพองมัน นี่คือการพิจารณาเรื่องทาดหันเรื่องอุูปะเรื่องความหม่สวยหม่งามในกายเพื่อจะกำจัดจิตใจที่ใครคิดกาหนัดยินดีอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ามันเห็นเข้าใจชัดเจนในจิตในใจจนเกิดอุคาหะปฏิภาสคือเมื่อพิจารณาไปพิจารณาไปใจมันจะรวมลงเมื่อถอนขึ้น ที่เจนาอีกมันจะเห็นประจักษ์ในตาของตัวเองในใจของตัวเองที่เจนาอะไรในใจนั้นมันเห็นเป็นจริงอย่างนั้นเนื้อมันก่อเป็นอย่างนั้นตาดูมันก็เป็นอย่างนี้ผล ท, ที่สุดมันเกิดมีนิสิตตาขึ้นดูคนธรรมดามันก็ไม่ได้ดูเนื้อหนัง ทางนงดูโขไฟทะลุถึงตับไตไสทุงเอ็นกระดูกมันไม่มีอะไรที่น่าเลื่อมใสศรัทธาไม่มีอะไรที่น่าปราถนายินดีถา้าจิตมันเป็นอย่างนี้มันจะไปเกิดราคะตันหายินดีพอใจทําไมเพราะเราเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นนี่ถา้าจิตเข้าไปถึงขั้นประพฤตปลกีบัด จะทราบจะเข้าใจในตัวของตัวเองแล้วเบือ่อกว่าเรามาอยู่นี้มาอยู่ในหลุมส้วมจิตใจ ม, มันโงเ่เลือเกินมันตกหลุมส้วมตกถังขยะมีแต่ของสติกุลมันก็อยู่ได้เพราะความลุ่มหลงของมันถ้าหากทรา บ, บเข้าใจอย่างนั้นมันก็เบื่อหน่ในการเกิดการตาย มาหลงไหลไฟฝันทำไมกว่าถาดขันของตัวยิ่งสิ่งภายนอกเข้าของเงินทองวัตถุภายนอกมันก็อีกทานองเดียวกันหลงไหลไฟฝันทั้งสิ่งเหล่านั้นเขาไม่ทราบว่าเป็นของของเราเราไปสาแสวงหาเขาเรารักเขาชอบเขาแต่เขาก็ไม่ยินดีเต็มใจเลี่ยงไสกับเราเราจากไปหรือเราทิ้งไ ว, ว้เราหงเห็นเขาก็อยู่คงที่ตามเรื่องของเขา เหมือนกันกันกบถาดขันของเราเราจะเลี่ยงดูรักษาขนาดไหนความแก่มันก็ขับไล่เข้ามาทุกวันทุกเวลาถึงเวลาตายไปใครหาบขามไปได้ผมขนแล้วฟันมันไม่มีใครหาบขามไปได้เขาของเงินทองภายนอกก่อทำนองเดียวกันนี่การทิจเจราญนาดานธรรมะมันเป็นอย่างนั้นจิตใจของท่านจึงไม่ลหลงไหลใส่ฝันจิตใจของท่านจึงเสมอ ไม่มีลุ่มมีดอนไม่มีรักมีชังสูกสบายสงบไม่ว่าอยู่สถานที่ใดพอใจของท่านไม่มีกิเลสปัญหาราคะคิดทิฏฐิต่างๆมารบกวนมีพวกเราท่านปฏิบัติยังไม่ได้ไม่ถึงอย่างนั้นมันจึงหาความสุขความสบายยาก ทั้งทางทีมีอยากมีกินมีหนุ่มมีห่มมันก็ยังยากไม่มีวันหยุดวันถอยเกี่ยงวัตถุก็ดีเกื่ยงความกำนัดยินดีก็เหมือนกันอยากจะให้มันสวยอย่างนั้นอยากจะให้มันงามอย่างนี้ยิ่งวุ่นแสวงหาสิ่งต่างๆนานามาพอกคูนเพื่อให้มันถูกมันสบายมันสวยมันงาม มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะอา น, นิจจังเป็นสัจจธรรมคำสอนของพธธระพุทธเจ้าถ้าองค์รู้เห็นเห่นชัดตามเป็นจริงที่นำมาสอนโลกสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความแปรปรวนและแตกสลายสิ่งนั้นเป็นอนาาัตตาว่าไม่ได้บอกไม่ได้สอนไม่ฟังมันจะเป็นอย่างนั้นมาตลอดการตลอดสมัยเราจะมีสิท วิเศษมาจากที่ไหนมาบังคับบัญชาไม่เหตุกายของเราเท่าไม่เหตุกายของเราแก็ไม่เหตุกายของเราแตกสลายมันเป็นไปไม่ได้สองทิศนิพิพานาธรรมะของ พ, พ, อ พ, พ ร, งระพุทธเจ้าเมื่อทิศนิพจาณาศึกษาต่างนาบประพฤตปฏิบัตจิตใจถี่เคยลุ่มหลงฝ่ายฝันค่อยจะสงบลงไปฝ่อยจะละถอนออกไป ในความจิตข้่องฝุ่ ง, งุงต่างๆสงบมาทางธรรมะสติปัญญาซึ่งไม่เคยศึกษาไม่เคย เ, เรียนมาจากที่ไหนมันจะเกิดขึ้นในจิตในใจของตัวบางทีมันจะบอกอันนั้นมันไม่ควรอันนี้มันไม่ควรบอก อดีตบอกอนาคตสิ่งยังไม่ถึงมันเป็นไปได้รู้ได้เข้าใจได้เพราะความละเอียดท้องใจเป็นไปตามอํานาจาศาสนาของผู้บวชปฏิบัติแต่การสชำรยใจเกีวยวความบริสุทธินั้นมันเป็นไปเหมือนกันพระพุทธเจ้าปรินิพานไปนานขนาดไหนใจของพระของผู้บวชปฏิบัติก็ทราบได้ฝ่าพระพุทธเจ้านั้น ท่านบริสุทธิ์อย่างไรเพราะทราบจากการปฏิบัติในจิตในใจของท่านคือว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตคือเห็นความบริสุทธิ์หมดจดของจิตพระพุทธเจ้าหรือสาวกที่ท่านปินิ้พานไปเป็นอย่างไรผู้บริสุทธิ์นั้นจะทราบจะเข้าใจเพราะตัวเป็นอย่างไรท่านก็เป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรจะสงสัยกัน มีการประปฏิบัติรูแจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเรื่องจิตตัณหาหน้าไหนจะมาหลอกเรืองจิตใจให้ฟุ่เมเฟือเหเหอมให้ลืมหลงงโมเมา้นมันในนี้สันจิงอยู่ดีจินดีจะเดือกสบายภายในจิตของท่านแต่ร่างกายนั้นมันก็เป็นไปตามธรรมดาของมันมันเกิดมา แต่ควรอย่างไรท่านก็ทราบนี่การปฏิบัติเพื่อความสงบสงัดปฏิบัติเพื่อละถอนจิตเหล็กท่านปฏิบัติมาแบบนั้นพวกเราท่านก็ทำนองเดียวกันการเกิดนี้โดยมากเราถือว่าเป็นสี่มงคลถือว่าเป็นท้องดีท้องดีนี่หน้าตาหยิมแยมแจ่มใส ยินดีเต็มใจลูกหลานเกิดขึ้นมารักชอบแต่การตายไม่มีใครชอบจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ก็ไม่ชอบเป็นเด็กเล็กเด็กแดง ก, ก, ก็ไม่ชอบความตายจะจะไปหาที่ไหนได้เมื่อเกิดแล้วความตายมันต้องมีเป็นธรรมดามันเป็นอยู่แบบนี้แต่ไหนแต่ไรมา ปัจจุบันเป็นอย่างไรอดีตที่ผ่านมาก็ทํานองเดียวกันอนาคตยังหมามาถึงมันกว่าทำนองเดียวกั น, น, น, กนจะมีอะไรเป็นหน้าสงสัยเป็นหน้าพอใจในโลกอันนี้ถ้าพิจารณาทำต่อใจจริงจังแล้วผ่านจริงเกิดนิพพิธาคือความเบื่อหนา่ายในโลกเกิดโลกตายอันนี้ไม่อยากอยู่ไม่ยินดี มีแต่ทางที่จะแก้ไขจิตใจของตัวทำไมนั้นไปจิดข้องยึดถือสิ่งนั้นสิ่งนี้มันมีเชื้ออยู่ที่ไหนมันก็ไหลไปที่นั้นสติปัญญาไปพิจารณาจนรู้เข้าใจในสิ่งนั้นมันจะถอดถอนความยึดถือของมันเกิดความรู้วิเศษึ้นือกว่าวิมุดสิ่งที่เคยเห็นเคยเป็นมา ก, ก่อน วิมุตเป็นอย่างไรเขียนใจอธิบายแจ่มใสขนาดไหนใครที่ไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้มันก็สงสัยอยู่ในจิตในใจของตัวทำจึงสมควรที่พวกเราทุกคนจะต้องสนใจต่อเพื่อปฏิบัติเมื่อเห็นเมื่อเป็นในตัวแล้วมันเหมือนกันหมดพิธิตรงกันเสมอกันไม่ว่าขัาน้นสมาธิขั้นปัญญาวิชาริมุตมันเหมือนกันหมด มันมีอะไรที่จะผิดแปลกแตกต่างกันฉะนั้นการลงมือปฏิบัติเพื่ออาจทำจึงเป็นสิ่งสําคัญที่พวกเราท่านจะต้องจงใจตั้งหน้าปฏิบัติเพราะเราทุกคนปรารถนาความสุขปรารถนาความสบายปรารถนาความสงบสึ่งที่ไม่สุขไม่สบายนั้นมันไม่ได้เกิดมาจาก ชาจากขันจากภายนอกเกิดมาจากใจเป็นตัวการสำคัญใจของพว ก, วกเราท่นานทำไมาสงบวุ่นวายก่อวรนแล้วมันไม่มีความสุขให้จะมีขบมีขันมีอยู่มีจิน ม, ม, ม, มีหนุ่มมีห่มที่พักพาอาศัย ใ, ใจใหญ่โตขนาดไหนถ่าใจเดือดร้อนใจวุ่นวายมันไม่สบาย้งนั้นถ้าเรากำจัด ถึงลบกวมท้องใจออกไปจิตใจสุขจิตใจสบายถึงเราจะอยู่ตามป่าตามเขาล่มไม้มันจะสุขกะสบายเพราะใจในวุ่นวายใจในป่าถนาอะไรใจในมีภัยมีเวรใจจริงเป็นของสำคัญยิ่งกว่าเรื่องท้องใจควรต้ปงพิบัติควรรักษาพูดหยาบๆย า, ยาเรื่องท้องโลก คนถ้ามีจิตใจดีมีจิตใจสุขจิตใจสบายแล้วจิตใจเป็นอัตเป็นธรรมแล้วถึงรูปร่างการตัวของเขาจะไม่หล่อเหลาสวยงามก่็ตามก็มีคุณค่าคนที่จิตใจวิริับถึงร่างกายของเขาจะสวยสดงดงามขนาดไหนจะไม่มีใครฝ่าชนาเพราะเหตุใดเพราะ ใจของเขาไม่มีคุณค่าเป็นคนชั่วคนเสียไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเสียจริตผิดมนุษย์ไปแล้วหมดคุณค่าจะรักษาสมบัติทัศ ฐ, ฐานอะไรได้ไม่นีสติปัญญาจะรักษาตนนี่คือจิตใจมันเสียจิตใจมันจะเสียได้ก็เพราะอาศัยเรื่องใจมันสุ่มมันปรุ ง, ม, งมันนึกมันคิด ขาดความยับย่างสั่งสววขาดสติปัญญาในตัวของตัวแต่นั้นจึงควรทุกคนจะสนใจกับเพื่อปฏิบัติกายวาจาจิตของตัวเอาไว้เมื่อเรารักษาจิตใจของเราให้ดีมีคุณค่ากายถึงจะมีหล่อเหลาสวยงามก็ช่างมันอันนั้นมันเกิดมาจากผลกรรมของเราจะเจก่าก่่น แจกไขไม่ได้เสื้อผ้าตัวนี้ไม่ดีซื้อเอาใหม่ตัดเอาใหม่ก็ยังได้กายนี้เกิดขึ้นมาอย่างไรในชาติหนึ่งหนึ่งก็จะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเลื่อยไปจะหาอะไรเหมือนเครื่องจากเครื่องยนต์ไหม่ีจะํำจะดำจะขาวก็เป็นไปตามหน้าที่ของรมที่เราทำไว้ส่วนจิตใจเราปรับปรุงได้ จิตใจจิตใจวุ่นวายจิตใจจิตคยกังวลจิตใจจิเคยจิตข้องเรามาอเปฏิบัติตามธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นจะเข้าใจจะละจะถอนความยึดเพื้อต่างๆออกไปยิ่งขับไล่สิ่งที่เลือยไหลฉวดเสียออกไปได้เท่าไหรจิตใจยิ่ง สว่างสวยจิตใจยิ่งเบายิ่งสบายมีการประพฤติปฏิบัติคุณค่าสาระสำคัญมันมีอยู่อย่างนั้นไม่ว่าสมัยพุทธกาลหรือสมัยปัจจุบันฉะนั้นการปฏิบัติยิงเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราท่านควรสนใจปฏิบัติแก้ไขสิ่งที่ชั่วเสียออกไปให้เกิดความสุขความสงบเราจะเอา ตอนไหนการใดเวลาใดคนตายไปไม่แต่เอาไปเผาไปฝังเท่านั้นจะทำบุญชุนทานเขาวัดเขาวารักษาศีลจเจริญเนตตาภาวนามีที่ไหนกันไม่มีใครที่จะมาทำได้เพราะตายไปแล้วชีวิตลมหายใจของเรายังมีอยู่อุตส่าห์พยายามแต่ถ้าประคองตนางหน้ า, ต, าต่างตาศึกษาประเภทปฏิบัติภาวนากัน จะเกิดความสุขความสบายขึ้นเรื่องการให้ทานรักษาศีลนั้นพวกเราท่านเคยได้ยินได้ฟังกันมาเคยทํากันมาพอสมควรอยู่แล้วแต่การภาวนารู้สึกว่าจะเบาบางอยู่บ้างไม่ค่อยจะสนใจกันเท่าไรให้พากันตั้งใจภาวนาสําำรักพอทําได้ไม่ว่าอยู่ในป่าในบ้านพอทําได้ คิดอ่านสิ่งอื่นทําไมทําได้แต่จะมาเกิดตาทิจนาใจค่องตัวทสงวงใจคลองตัวรักษาใจค่องตัวไม่คิดชั่วในทางโลกทางสงสารทางชีวิตัญหาเราทําไมไม่มีสติปัญญาไม่มีเวลาโอกาสทําสอนใจคลองตัวอย่างนั้นสอบใจคลองตัวอย่างนั้นดูภายในคลองตัวอยู่ตลอดเวลา รักษาใจของตัวอยู่ในวงของธรรมะคนนั้นก็จะมีวันมีเวลาสงบเย็นในจิตในใจการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเจริยาภรณ์พอยุติเป็นแค่นี้เอวัง